ว่าการเจริญอานิสงการเจริญสิริมีอานิสงมากที่สุดยังไงนะท่านการนับตั้งแต่ให้ทานนะการให้ทานตั้งแต่สัติเลี้ยงานขึ้นมาเล้นะได้บุญแล้วถ้าให้มนุษย์ได้บุญมากกว่าที่มนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ชั่ว อันนิสงต่างกันมนุษย์ที่มีศีลหรือไม่มีศีลมนุษย์ที่มีศรัทธามนุษย์ที่ไม่มีศรัทธามนุษย์ที่มีการภาวนาและคนนี้ยังไม่ภาวนาก็อนิสงต่างกันจึนกระทั่งมนุษย์ที่เป็นเทวดามนุษย์ที่เป็นพระอินทร์พระพรหมก็มีอ น, นิสง์แตกต่างกันให้แก่คนที่ปฏิบัติสมถะให้แก่คนที่ปฏิบัติวิปัสนา แต่วราให้คนที่ปฏิปัดแล้วบรรลุถึงปัะโสดาการีผลอ น, นิสง์มากกว่ามากกว่าคนธรรมดาแล้วให้แก่พระสกิทาคาก็มีอ น, นิสง์มากกว่าพระโสดาจนะว่วให้กับพระอนาคามีก็ได้อ น, นิสง์มากกว่าพระสกินาคาจะไหวพระอาหันก็มีอ น, นิสงมากกว่าพระอนาคา ถวายพระพุทธเจ้าพระพเจพระพุทธเจ้าก็มีอนิสงส์มากกว่าพระหัน์ถวายพระพุทธเจ้าก็มีอนิสงส์มากกว่าพระปฏิเจกาพุทธาแต่ท่านบอกว่าแม้แต่ถวายพุทธเจ้าก็ยังไม่มีอนิสงส์เท่ากับผู้กําลังปฏิบัติท่านขมวดมาเท่านี้เพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านได้บรรลุแล้วสําเร็จแล้วแต่ผู้กําลังปฏิบัติเนี่ยถ้าได้รับทําบุญด้วยเขาก็จะได้เป็น พระโสดาสีนาคาเป็นพระหันแม้เป็นผู้ริเจ้าก็ได้อันนี้เราให้กำลังพูดให้กำลังใจฉะนั้นเอาขณะที่เรากําลังปฏิบัติเนี่ยคนไหนมาทําบุญด้วยก็ได้อันนี้สงเยอะแล้วใครเป็นการโฆษณานิดๆ น, นะแต่ความจริงเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะแต่เราก็เชื่อไว้ก่อนว่าเราก็อยาก จะทำบุญกับผู้ปฏิบัติแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็มีอีกนะอันนี้อ น, นี้ส่งต่างกันผู้ปฏิบัติที่รู้และผู้ปฏิบัติที่ยังไม่รู้ก็ได้อันนี้ส่งต่างกันอีกนะแต่ก็เรี้ที่าหลังปฏิบัติขาดเกลาอยู่ทุก uh, ว uh, ีโปรดเดือดงพุทเทียนวิดีโอโชว์ for our student for our practitioner For encourage our practitioner to be more faith, uh, more uh, confidence to practice. So n o n g Pu Tian talk about the result, o r consequence of the practice more and more uh, from the practitioner to the Buddha. So they have uh, different form of result, result and benefits. Yeah. Step by step, yeah, for motivate our practice, we have more inspiration to practice. So, when we understand what exactly the benefits of the practice, as the Buddha talk about, we have more faith to practice. ดังนั้นในวันนี้ผมได้ตรวจบันทึกของท่านทั้งหลายตามที่ผมได้บอกแล้วว่าคนไหนที่บันทึกได้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่รายงานการปฏิบัติแล้วสำหรับคนที่บันทึกไม่ได้ผมก็จะให้รายงานทางปากเปล่าคนไหนที่บันทึกรายงานทางปากเปล่าไม่ได้ก็ต้องมารายงานาดยการ บอกกล่าวเล่ากับผมเองโนะดยสามขั้นตอนแต่สำหรับคนที่ทั้งไม่บันทึกทั้งไม่รายงานก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็จะได้มาช่วยผมในการชีแนะถือว่าเข้าใจแล้วนะก็ท่านผู้ใดจะทาหน้าที่ตรงนั้นก็ได้เราให้มีทางเลือกเหมือนกันทุกคนนะครับผมเพิ่งไปดู เมื่อวานนี้เป็นวันพระใช่ไหมครัผมไปคำวิสิท่ิ์ห้าค ำ, คำอย่างฮะที่ห้าเลยผมก็นื้อวันเมื่อวานวันพระนะก็ <c oughs> <c oughs> <k> oh> ผมก็ได้เลือกคนที่ไม่ได้บรรพึกเพิ่มเติมขึ้นมาในการให้รายงานนะเริ่มตั้งแต่ ท่านวัชระองค์ไหนครับอ่าวัชระครับไม่ได้บันทึกก็รายงานเปล่าเนาะไม่ได้บันทึกเพิ่มนะอ่าวันวันก่อนเนี่ยวันก่อนเพิ่ววันก่อนนู้นไม่ได้บันทึกตรงนี้นะอืมก็เลยผมบันทึกไว้ว่าอันไหนที่ไม่ได้ที่ผมใส่สองดาวนั่นหมายความว่าไม่ได้บันทึกตั้งแต่วัน รายกาวันนี้อาจจะบันทึกนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รายละเอียดก็มีท่านวัชระท่านวิสูตรท่านอาภิวัตรท่านสมปองท่านนนทวัฒน์คุณปิชานะก็ของด ร, รด้วยด ร, รด้วยเอาคุณวัชระก่อนเนาะเจนพงธรรมหน้าที่เดิ